เรื่องภิกษุสามรูปจำพรรษาในกรุงราชคฤื้สมัยนั้นภิกษุสามรูปจำพรรษาอยู่ในกรุงราชคฤื้คนทั้งหลายในถิ่นนั้นได้ถวายจีวรด้วยกล่าวว่าพวกเราขอถวายแก่สงต่อมาภิกษุเหล่านั้นได้ปรึกษากันดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาค ทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุมีสี่รูปเป็นอย่างน้อยชื่อว่าสงแต่พวกเรามีอยู่สามรูปและคนเหล่านี้ได้ถวายจีวรด้วยกล่าวว่าพวกเราขอถวายแก่สงพวกเราจะปฏิบัติอย่างไรหนอสมัยนั้นพระเถระหลายรูป คือท่านพระนีลวาสีท่านพระสานวาสีท่านพระโคปกะท่านพระพะคุและท่านพระภลิกะสันธานะอยู่ในกุกกุดารามเขตกรุงปาตลีบุตรภิกษุสามรูปนั้นได้เดินทางไปกรุงปาตลีบุตรแล้วสอบถามพระเถระทั้งหลายพระเถระทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายพวกเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจีวรเหล่านั้นเป็นของพวกท่านเท่านั้นจนถึงคราวดอกกะถิน